เสียงอานหนังสือกุญแจภาวนาพระโพธิญาณเทระหลวงปูชาสุพัทโท17มกราคมพุทธศักราชส5 1 2นาณวัดหนองป่าพงการศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเราศึกษาไปเพื่อหาทางพลุกข์เพื่อความสงบสุขเป็นจุดสำคัญจะศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องจิตเรื่องเจตสิก คือคุณสมบัติของจิตก็ตามก็เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นจึงจะมีถูกทางมิใช่เพื่ออย่างอื่นเรอทุกมันมีเหตุเกิดและมีที่ของมันอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเสียว่ามันจะเป็นจิตก็ช่างมันเถอะเมื่อมันนิ่งอยู่อย่างนี้ก็คือปกติของมันถ้าว่ามันเคลื่อนปุ๊บ ก, ก็เป็นสังขารแล้ว มันจะเกิดยินดีก็เป็นสังขารมันจะเกิดยินร้ายก็เป็นสังขารมันจะอยากไปโน่นไปนี่ก็เป็นสังขารถ้าไม่รู้เท่าสังขารก็วิ่งตามมันไปเป็นไปตามมัน <85. S 1> เมื่อจิตเคลื่อนเมื่อใดก็เป็นสมมุติสังขารเมื <_ v ill absurd> ่อนั้นท่านจึงให้พิจารณาสังขารคือจิตมันเคลื่อนไหวนั่นเองเมื่อมันเคลื่อนออกไป ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้พิจารณาอันนี้ท่านจึงให้รับทราบสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พิจารณาสังขารเหล่านี้ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็เหมือนกันอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นต้นนั้นเราเคยเล่าเรียนมาศึกษามาก็เป็นจริง คือแยกเป็นส่วนๆไปเพื่อให้นักศึกษารู้แต่เมื่อมันเกิดมาจริงๆแล้วท่านมหานับไม่ทันหรอก